50 languages. สิบหผลไม้และอาหารฮันนุกัลูมัตตูอาหารและพัสดดิฉันมีสตรอเบอรี่น่าบัลลีวุ่นดูสตรอเบอรี่ ดิฉันมีกีวี่และแตงโมนัน่นน่บัลีวุนดูกีวี่มัตตุคราบูจ้าฮันนุกันิเวดิฉันมีส้มและเกลฟฟรุตนัน่นนบัลีวุ่นดูคิตรเลมัตตุวุนดูดรากชีฮันนุกันิเวดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงนัน่นน่บัลีวุ่นดูสีบูมัตตุวุนดูมาวีนาฮันนุกิเว ดีฉันมีกล้วยและสับประรดนันะบลีวนดูบารเลมัตตุวนดูอนาน า, นาสูฮันนุกัลีเดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้านานูฮันนุกลอารส า, ายนามารุตเตเนดีฉันกำลังทานขนมปังปิ้งนานูโตสต์ธินุติเตเน ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยนานู้ทสต์อันนูเบนเนจุตเินุติเดเน่ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมนานูตสต์อันนูเบนเนฮากแจมจุตเินุติเดเนดิฉันกำลังทานแซนด์วิชนานู้วันดูแซนด์วิชทินุติเดเน ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม น, น, นั่นซนวิันมา ร, ารนจททุต่ิติเดเนดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ น, น, น, นัซนจุต่อมาร์กรนมัตตูทอมัตโตติเเนุติดเดนเราต้องการขนมปังและข้าว น้ำมัเกะเบรมตตูอ็อบกุเราต้องการปลาและสเต็กน้ำมกมนมัตตูโกมามสเบกุเราต้องการพิซซาและสปากเกตตีน้ำมัเกะพิซซามัตตูสปาเกตตเบกุเราต้องการอะไรอีกไหมน้ำมัเกยินเยนบ เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปน้ำเก e s o ซุปมาดลูแครอทมัตตูทอแอตโตกัลูเบคูซูปเปอร์มาร์เกตอยู่ที่ไหนอิลลี่ซูเปอร์มาร์เกต็ตอลลีด่ดรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e